การที่ท่านทั้งหลายได้เข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แสดงว่าท่านเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้รู้คุณค่าของของสิ่งที่มีคุณค่าที่แท้จริงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะมีคุณค่าเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจรึงเรียกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระรัตนไตรรัตนแ์แปลว่าเพชรนินจินดาของที่มีคุณค่าที่สุดในโลกนี้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนไตรนี้ เป็นเพชรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรนินจินดาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเหตุใดพเพราะเพชรของพระ ต, ะตัณาไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้สามารถทำให้ท่านทั้งหลายได้หลุดออกจากกองทุกข์ แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีเพชรเรนจินดาหรือของมีค่าต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่จะสามารถช่วยให้ท่านได้หลุดพ้นออกจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยนี่คือคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ที่นานๆจะมาปรากฏให้พวกเราได้พบได้เห็นได้เป็นที่พึ่งกันนานๆจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งถ้าใครได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีเป็นอย่างมากเพราะจะเป็นผู้ที่ได้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ได้ติดอยู่มาเป็นเวลาอันยาวนานจนไม่สามารถนับเวลาของการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าอยากจะรู้ว่าพวกเรานี้ได้มาเกิดมาตายในโลกนี้กันกี่ครั้งพระพุทธเจ้าก็บอกให้เราเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภบแต่ละชาติเช่นชาตินี้เราเกิดมาเราต้องร้องห่มร้องไห้กันเราต้องหลั่งน้ำตากันให้เอาน้ำตาที่เราหลั่งกันนี้ มารวบรวมทุกครั้งที่เรามาเกิดท่านบอกว่าน้ำตาของพวกเหล่านี้มันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสอีกนั่นคือระยะเวลาของการที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันมาร้องห่มร้องไห้กันเป็นเวลาอันยาวนาน เป็นภพชาติที่มากมายก่ายกองที่เราไม่สามารถที่จะวัดได้ด้วยตัวเลขนี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราที่พวกเราติดกันอยู่พวกเรามาเกิดแล้วเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพ้าคจากกันแล้วพอเราตายไปแล้ว เราก็จะไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทำกันเอาไว้แล้วพอผนบุญผลบาปที่เราได้ทำนั้นหมดไปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่ต่อไปทำกันอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันสิ้นสุดได้ เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกัน ừ. เราทำเรามาเกิดกันอย่างต่อเนื่องและจะไม่มีวันที่จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ได้ จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่เป็นผู้รู้ว่าเหตุที่จะทำให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดนั้นคืออะไรและรู้เหตุที่จะยับยั้งการเวียนว่ายตายเกิดของเราว่าจะต้องทำอย่างไร ถึงจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาหลังน้ำตาจนมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่แหละคือคุณประโยชน์หรือคุณค่าของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอน ของพระอริยสงสารุกของพระพุทธเจ้า<ม>ผู้ใดที่รู้คุณค่าของพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์<ม>ยังถือว่าเป็นผู้ที่ฉลาด<ม><ม>เป็นผู้ที่จะสามารถตักตวงประโยชน์อันยิ่งใหญ่มหาศาลจากพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ได้ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ จึงถือว่าเป็นคนโง่เพราะจะไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้จะไม่สามารถหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้จะต้องติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของพวกเรา กับพระพุทธศาสนากับพระธรรมคำสอนกับพระพุทธเจ้ากับพระอริยรสงสาวกเป็นเรื่องที่นาน น, านจะมาได้พบกันสักครั้งหนึ่งถ้าเรามาเกิดแล้วเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาการเกิดเป็นมนุษย์ของเรานี้ก็จะทำประโยชน์ได้ไม่มากเพราะ ไม่มีผู้ที่จะสั่งจะสอนผู้ที่จะพาให้เราได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่มหาศาลถ้าเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาสิ่งที่พวกเราจะสามารถทำกันได้อย่างมากก็ทำให้เราเวลาตายไปให้เราไปเกิดในสุขติไปเกิดในภพที่ดีคือสวรรค์ชั้นต่าง สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมแต่พวกเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่ต่อไปหลังจากที่เราได้ไปรับผลบุญไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมแล้วต่อไปบุญที่ส่งให้เราไปเกิดนั้นก็จะหมดกำลังแล้วก็จะส่งให้เรา กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่และช่วงที่เรามาเกิดนั้นเป็นมนุษย์นั้นก็อยู่ที่ว่ามีใครที่จะสามารถสั่งสอนให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลหรือไม่ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีใครที่จะมาสั่งสอน ให้เราทำบุญทำกุศลกันเราก็อาจจะไปทำบาปทำกรรมกันแล้วเวลาที่เราตายไปแทนที่เราจะได้ไปเกิดในสวรรค์กันเราก็จะต้องไปเกิดในอบายกันอบายก็มีอยู่สี่ที่ด้วยกันคือหนึ่งเดลฉานสองเปรต สามอาสุรกายสี่นรกนี่คือที่ที่เราจะไปกันถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่ไม่มีศาสนาคือศาสนาอื่นอย่าว่าแต่ศาสนาพุทธอันนี้หมายถึงยุคที่ไม่มีศาสนาพุทธแต่มีศาสนาอื่นที่สอนให้ทาบุญทาทานให้รักษาศีลกัน ถ้ายังมีศาสนาเหล่านี้อยู่เช่นในในโลกสมัยที่เราอยู่กันนี่เราก็มีหลายศาสนาด้วยกันมีศาสนาพุทธมีศาสนาอิสลามมีศาสนาคริสต์ศาสนาต่างๆเหล่านี้ก็สอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนไปสวรรค์กันเพราะทุกๆศาสนานี้จะสอนให้คนทำบุญกัน ให้ช่วยเหลือกันและให้รับเว้นจากการทำบาปไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้ต่อกันได้กันเอศาสนาคริสต์ก็สอนอย่างนี้ศาสนาอิสลามก็สอนอย่างนี้ศาสนาอื่นที่มีอยู่ในโลกนี้ก็สอนอย่างนี้เหมือนกันทุกๆศาสนานี้สอนเหมือนกันสอนให้คน ทำดีละบาปกันอันที่ส่งของการที่ได้ทําดีละบาปนี้ก็จะส่งให้ผู้ที่ทําดีละบาปเวลาตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพที่มีแบ่งเป็นหลายระดับหลายชั้นด้วยกันไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมที่สูงกว่าที่ละเอียดกว่าที่มีความสุขมากกว่า ก็มีแบ่งเป็นหลายชั้นด้วยกันแต่สวรรค์เหล่านี้เป็นสถานที่ที่ไม่จีหลังถาวรเป็นอนิจจังคือเมื่อได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วไม่นานบุญที่ส่งให้เราขึ้นไปก็จะหมดลงไปพอบุญนี้หมดลงไปเราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่ แล้วพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่ก็อยู่ที่ว่าจะมีใครมาสั่งมาสอนให้เราทําบุญละบาปกันหรือไม่ถ้าไม่มีมีแต่คนสั่งสอนให้เราทําบาปกันซึ่งต่อไปโลกเราอาจจะอยู่ในโลกที่อยู่ในยุคเสื่อมจากาศาสนาก็ได้อยู่ในยุคที่ทุกคนนี่จะ หลงไหลข่าฟันกันเหมือนผักเหมือนปลาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งทำนายไว้ว่าจะเป็นยุคมิกระสัีคือเป็นยุคที่ไม่มีคนเห็นคุณค่าของศีลธรรมไม่มีคนเห็นคุณค่าของการทำบุญทำกุศลจะเห็นคุณค่าแต่การแก่งแย่งชิงดีในทรัพ์สมบัติข้าวของเงินทอง ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้ามาเกิดในยุคนั้นเราก็อาจจะถูกให้เขาสอนหรือบังคับให้เราทำบาปกันไม่ให้เราทำบุญกันเมื่อเป็นอย่างนั้น<ม>เวลาเราตายไปเราก็จะต้องไปรับผลบาปที่เราทำกันที่รับผลบาปก็มีอยู่สี่ที่ ไปเป็นเดลอาฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปอยู่ในนรกที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขดีก็แล้วแต่ว่าในยุคสมัยที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเราจะมีใครเป็นผู้สั่งผู้สอนเราถ้าเราได้โชคดีได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา เป็นผู้ที่มาสั่งมาสอนเราเนี่เราจะได้รับประโยชน์มากกว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากาศาสนาอื่นๆเพราะาศาสนาอื่นๆนี้จะสอนให้เราจะพาเราไปได้แค่สวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นแล้วก็ยังต้องให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย มาทำบุญทำบาปกันใหม่แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา<ม>พระพุทธศาสนานี้จะสามารถสอนให้เรานี้ไม่ต้องกลับมาเกิดเลย<ม>สอนให้เราไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพในสวรรค์ชั้นพรมและให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นพรมคือสวรรค์ของพระอริยเจ้า ที่จะทำให้พวกเราลดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายลงไปจนกระทั่งหมดสิ้นไปได้นี่คือความแตกต่างของพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่นๆศาสนาอื่นๆนี้จะสอนให้สัตว์โลกได้ไปสู่แค่ระดับสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเพราะไม่ รู้สาเหตุของการที่ทําไมสัตว์โลกอย่างพวกเรายัางจำล่องกลับมาเป็นมนุษย์กันกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันมีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นที่จะรู้ว่าเหตุที่ทําให้พวกเรานี้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันนั้นเป็นอะไรและรู้วิธีที่จะกําจัดเหตุที่จะทําให้พวกเรามาเกิดแก่เจ็บตายกัน ทำให้โลกเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็จะไม่มีความทุกข์ต่อไปนี่คือความแตกต่างของพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่นๆเบศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะสามารถพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากตายภพ ได้ออกจากวัตะสงสารสังสารวัฏคือพบที่จัดโลกอย่างพวกเรานี้มาติดกันอยู่พวกเราติดอยู่ในใต้ภพกันจะไปอยู่ในภพไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำกันถ้าเราทำบุญเราก็จะไปติดอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพบนสวรรค์ชั้นพรหม สวรรค์ชั้นเทพก็เรียกว่ากามาพบสวรรค์ชั้นพมก็เรียกว่ารูปพบกับอรูปพบถ้าเราไปทําบาปเราก็จะไปติดอยู่ในกามาพส่วนส่วนหยาบส่วนที่มีความทุกข์ก็คือไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรลกายไปติดอยู่ในนรกแล้วพอเราพ้นบุญพ้นบาปเราก็ หมดบุญหมดบาปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะเหตุที่ทําให้เรายังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่ได้รับการกําจัดนั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีวันที่จะสามารถกําจัดเหตุที่จะพาให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาแก่มาเจ็บมาตายได้เลยมีพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธเจ้าพระองค์แรก ผู้ได้ทรงค้นพบว่าเหตุที่ทําให้พวกเราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันนี้คือตัณหาความอยากตัณหานี้มีอยู่สามที่เป็นความอยากที่จะนํามาสู่การเวียนว่ายตายเกิดแต่ความอยากอย่างอื่นนี้ไม่เกี่ยวความอยากอย่างอื่นนี้ ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันก็มีเช่นความอยากทำบุญความอยากรักษาศีลความอยากฟังเทศน์ฟังธรรมความอยากปฏิบัติธรรมความอยากเหล่านี้เป็นความอยากที่จะมาทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันแต่ความอยากที่ทำให้พวกเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันนี่ คือกามะตัญหาแปลว่าความอยากในกามกามก็คือกามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะหรือสัมผัสที่เราสัมผัสด้วยร่างกายเรียกว่าผดทพะนี่คือสิ่งที่พวกเราอยากกันพวกเราอยากดูรูปอยากฟังเสียง อยากลิ้มลสอยากนมกลิ่นอยากสัมผัสกับสัมผัสต่างๆทางผ่านทางร่างกายจึงทำให้เราต้องมามีร่างกายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายนั่นเองนี่คือเหตุที่ดึงจิตใจของพวกเราให้มาหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆร่างกายอันนี้ที่เรามีอยู่นี้ต่อไปมันก็จะต้องแก่ ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปแต่ความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะอะไรเพราะความอยากไม่ได้อยู่ในร่างกายความอยากอยู่ในใจใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเหมือนกับคนขี่ม้ากับม้านี่เป็นคนละคนกันม้ากับคนขี่ม้านี่ไม่ได้เป็นคนเดียวกัน ร่างกายนี้เป็นเหมือนมา้าส่วนใจนี้เหมือนคนขี่มา้าใจนี้ใช้ร่างกายให้พาไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระต่างๆเหมือนกับคนขี่มา้าให้ม้าพาคนขี่ม้าไปตามสถานที่ต่างๆเวลาที่ม้าตายไปคนขี่ม้านี้ไม่ได้ตายไปกับมา้าแันใดจิตใจ ที่มาขี่ร่างกายที่มาใช้ร่างกายมาสั่งร่างกายให้พาไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อจะได้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากที่อยากจะได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพะคือกามตัณหานี้ก็ไม่ได้ หมดไปกับร่างกับการตายของร่างกายมันก็ยังมีอยู่ในใจที่ทำให้ใจนี้หิวโหวยกับรูปเสียงกลภภิ่นรถปวดตาพก็ทำให้ใจนี้ไปรอหารับร่างกายอันใหม่ในช่วงที่รอรับร่างกายอันใหม่ก็เป็นช่วงที่ใจนี้ต้องไปรับผลบุญผลบาป ถ้าทำบาปก็ไปรับผลบุญในบาผลบาปในบายถ้าทำบุญก็ไปรับผลบุญในสวรรค์ชั้นเทพในสวรรค์ชั้นพรหมนี่คือตัวที่ทำให้ใจของเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันอยู่เรื่อยๆคือหนึ่งกามะตัญหาความอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะ สองความอยากมีอยากเป็นอยากมีอะไรก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมืออยากมีเงินทองอยากร่ำอยากรวยก็ต้องมีร่างกายถึงสามารถที่จะไปหาสิ่งที่อยากได้อยากมีแฟนอยากมีภรรยาอยากมีสามีอันนี้ก็ต้องมีร่างกายอยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากเป็นในพันในพันในร้อยในสิบอยากเป็นนายกอยากเป็นประธานาธิบดีความอยากเหล่านี้ทำให้เราต้องมีร่างกายกันออแล้วพอมีร่างกายก็เกิดความอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆก็จะมีความอยากอีกอันโผล่ขึ้นมาคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็น คืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปเรื่อยๆอยากไม่มีวันสิ้นสุดถ้าแก่ถ้าเจ็บถ้าตายไปก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปนี่คือเหตุที่ทำให้พวกเราทั้งหลายยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อย จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่นานๆานจะมีโผล่ขึ้นมาให้โลกได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยสักครั้งหนึ่งพระพุทธศาสนานี้ท่านบอกว่านานๆจะมาสักครั้งหนึ่งนานๆ น, นี่หมายถึงกับกับนี่หมายถึงปีล้านล้านปีที่เราไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลข ถ้าอยากจะรู้ว่าหนึ่งกับนานเท่าไหร่ก็ให้สมมติว่าทุกร้อยปีนี้เราเอาผ้ามาลูบภูเขาหิมาลัยหนึ่งครั้งทุกทุกร้อยปีมารูปภูเขาหิมาลัยหนึ่งครั้งทำไปอย่างนี้จนกว่าภูเขาหิมาลัยจะสึกหายไปหมดจากการที่เรารูปคิดดูว่ามันจะต้องรูป ก, กันกี่ครั้งกี่ปีถึงจะได้เวลาหนึ่งกับนะ นี่ก็คือความหมายของหนึ่งกับเป็นเวลาอันยาวนานมากแล้วพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่หนึ่งกับที่จะมาปรากฏหลายๆกับด้วยกันถึงจะมีพระพุทธศาสนานสักครั้งหนึ่งอย่างนั้นโอกาสที่พวกเราจะได้มาเจอพระพุทธศาสนานการสักครั้งหนึ่งนี้จึงเป็นโอกาสที่ยาวนานมากและอาจจะไม่ได้เจอด้วยซ้าไป เพราะจังหวะของการมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเรากับการปรากฏของพระพุทธศาสนาในโลกมนุษย์นี้ก็อาจจะไม่ตรงกันก็ได้ <Yeah. S 1> เช่นศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็จะมีอายุประมาณห้าพันปี <Yeah. S 1> สมมติว่าคราวที่แล้วเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนที่มีก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ตอนนั้นก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเรามาเกิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากห้าพันปีไปแล้วเราก็จะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันชาตินี้พวกเราโชคดีมาเกิดอยู่ในยุคที่อยู่ในครึ่งอายุของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้มีอายุผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเป็นคนก็คนกลางคนนะ ยังไม่ถึงกับแก่แต่ก็แต่ก็ยังจะต้องบดไปต่อไปถ้าเราตายจากชาตินี้ไปการที่เราจะกลับมาเกิดมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนี่ไม่รู้อีกกี่ร้อยปีหรือกี่พันปีก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราได้ทำไว้ว่ามากน้อยเพียงไรแล้วโอกาสด้วยจังหวะของการที่จะได้มา รับร่างกายของมนุษย์นี้ก็แล้วแต่โอกาสเพราะว่าผู้ที่ต้องการจะมารับร่างกายของมนุษย์นี้ก็ไม่ใช่มีเราคนเดียวมีกันเยอะแยะแต่พ่อแม่ที่จะให้กําเนิดของมนุษย์นี้ก็มีจํานวนจํากัดดังนั้นโอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายโอกาสที่จะได้มามีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมา ในโลกนี้ก็ไม่ได้เป็นของง่ายถ้าได้มาเป็นมนุษย์แล้วได้มาเจอกับพระพุทธศาสนานี้ก็ถือว่าโชคมหาศารโชคดีมหาสารยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลวที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งการถูกลอตเตอรี่ครั้งรางวัลวที่หนึ่งร้อยพันร้อยครั้งพันครั้งนี้ยังจะง่ายกว่าการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและประโยชน์ที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้ก็มากมายมหาศาลกว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งเพราะอะไรเพราะเงินทองที่เราได้รับจากการถูกรัตเตอรี่นี้ไม่สามารถซื้ออิสรภาพให้กับพวกเราได้ให้เรา มีอิสรภาพจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะซื้ออิสรภาพให้กับพวกเราได้ให้พวกเราได้ออกจากคุกของการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือสิ่งที่เราได้มาพบกันมาเจอกั น, นแล้วถ้าเราเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา เข้าหาพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็ถือว่าพวกเรานั้นไม่ใช่คนโง่เลยพวกเราทุกคนนี้ถือว่าเป็นคนฉลาดคนโง่ก็คือคนที่ไม่เข้าวัดเขาไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาคนโง่นี่จะหาอะไรคนโง่จะหาทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทอง จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นความสุขชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่แต่เป็นความทุกข์เพราะว่าจะทำให้ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนั่นเองผู้ที่ยังชอบหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ผู้ที่ยังอยากมีลาบยศจลรเสริญอยู่นี่ จะเป็นผู้ที่จะเหมือนปลาที่ติดเบ็ดนี่เองเป็นปลาที่ถูกเหยื่อหลอกให้ไปหุบเบ็ด เ, ยเหยื่อก็คือราบยศจัรลเสนความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนีย่เป็นเหมือนเหยื่อที่จะ เ, เกี่ยวใจของสัตว์โลกให้ติดอยู่กันกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองดังนั้นผู้ที่ฉลาดจะไม่ จะไม่หลงไหลไปกับการหาราบยศสรรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่งกายพอรู้ว่ามันเป็นเหยื่อที่จะทำให้จิตใจต้องติดกับการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองดังนั้นแทนที่จะไปติดกับราบยศสรรเสริญสุขก็เลยมาติดกับพระพุทธศาสนาเข้าวัด เพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วก็จะได้รู้วิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะกาจัดต้นเหตุที่จะพาให้สัตว์ให้จิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยเมื่อได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็จะสามารถกาจัด เหตุทั้งสามคือกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้ดังนั้นผู้ที่มีความฉลาดผู้ที่เขาหาพระพุทธศาสนานี้ก็จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนให้ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นที่หนึ่ง ที่สอนให้ผู้ที่เข้าหาพระพุทธศาสนาปฏิบัติกันก็คือให้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเอให้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองรู้วิธี ของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าท่านปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรพระสงฆ์ปฏิบัติอย่างไรพระธรรมคำสอนสอนให้ปฏิบัติอย่างไรถ้าไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้อย่างนั้นถ้าเรายังไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าสุปฏิปันโนเป็นอย่างไรอุชุปฏิปันโนเป็นอย่างไรยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเป็นอย่างไรจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราศึกษาชีวประวัติของพระพุทธเจ้า ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาชีวประวัติของพระอาลยสงฆ์สาวกที่เราอาจจะได้มาสัมผัสรับดูในแต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าเรารู้วิธีการปฏิบัติของท่านว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรเราก็จะได้เอาแบบฉบับของท่านมาเป็นเป็นเป็นผู้นำเรามาสอนเรา นี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องกระทำกันก็คือต้องศึกษากันเหมือนกับการที่เราจะเดินทางไปที่ที่เราไม่เคยไปก่อนที่เราจะออกเดินทางเราต้องศึกษ า, าทางก่อนว่าจะไปที่นี้ไปอย่างไรที่สถานที่นี้ตั้งอยู่ในทิศไหนทิศเหนือหรือทิศใต้ ถ้าเราไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่รู้ว่าทางที่จะพาให้เราไปสู่ที่ที่เราต้องการไปนั้นไปอย่างไรเราก็จะไปไม่ถูกแต่ถ้าเราศึกษาก่อนเช่นถามคนที่เคยไปมาก่อนว่าจะไปที่นี้ไปอย่างไรขับรถไปอไปถนนเส้นไหนอ พอถ้าเราได้ถามแล้วหรือถ้ามีแผนที่เราก็ดูแผนที่กันออพอเราดูแผนที่หรือมีคนถามมีคนบอกทางแล้วเราก็จะได้เดินทางไปได้อย่างถูกต้องไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปไดออ้ดังนั้นก่อนที่เราจะปฏิบัติกันสิ่งแรกที่เราจะต้องทำกันก็คือเราต้องศึกษาก่อน ศึกษานี้ท่านเรียกว่าปริยัติธรรมคือศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีปฏิบัติของพระอาริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนนี้ก็จะศึกษากันได้ไม่ได้อย่างมากมายเหมือนสมัยนี้ สมหยก่อนจะศึกษาจะฟังธรรมกันแต่ละครั้งนี้ต้องรอวันพระกันก่อนวันพระเพราะว่าวันพระเป็นวันที่เราหยุดทำงานกันเป็นวันที่เราจะไปวัดกันได้เพราะการจะไปฟังธรรมสมัยก่อนนี้ต้องไปฟังธรรมที่วัดเพราะไม่มีการบันทึกเสียงไม่มีหนังสือธรรมะให้อ่านอยากจะฟังธรรมนี้ต้องรอวันพระ พอวันพระเราหยุดทํางานมีเวลาว่างเราก็ไปวัดนเราจึงจะได้ฟังธรรมกันสักครั้งหนึ่งทุกเจ็ดวันแปดวัน ฟ, ฟังกันสักครั้งหนึ่งนี้ก็อาจจะทําให้ลืมได้พอฟังเสร็จกลับมาบ้านกลับมาต้องไปทํางานต่อเดี๋ยวเราก็ไม่มีเราก็ลืมธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังไปแตสมัยนี้พวกเราโชคดีกว่าสมัยก่อน เพราะเดี๋ยวนี้เรามีธรรมะอยู่ในมืออยู่ในก ร, ร ม, มือเราเลยก็คืออยู่ในมือถือเราเราสามารถฟังธรรมจากมือถือได้สามารถอ่านหนังสือธรรมะจากมือถือได้ทุกเวลาที่เราต้องการเลยทีเดียวดังนั้นเราสามารถย่นเวลาของการศึกษาของเรานี้ให้สั้นลงได้เราจะทำให้เราย่นเวลาของการปฏิบัติ ของการบรรลุธรรมนี้ให้สั้นลงได้เพราะเดี๋ยวนี้เราสามารถศึกษาได้ตลอดเวลาเวลาใดที่เรามีเวลาว่างเวลาเราเปิดมือถือแทนที่เราจะไปติดตามเรื่องบ้าบ อ, บอคอแตกต่างๆของชาวบ้านของชาวโลกสู้ไ่อ่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าไปศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่า เพราะการศึกษานี้เราพุทเจ้าบอกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งการศึกษาพระธรรมคําสอนนี้เป็นม ง, งคลอย่างยิ่งสมัยก่อนนี้ศึกษาได้เพียงอาทิตย์วันหนึ่งครั้งเท่านั้นเองแล้วก็แปบ๊บเดียวฟังเทศฟังธรรมหนนเดียวก็หมดแล้วกว่าจะได้ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรออีกเจ็ดวันแปดวันธรรมที่ได้ฟังในวันนั้นก็อาจจะเลือน เดือนลางหายไปเพราะถ้าเราไม่ฟังอะไรซ้ำๆบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ลืมได้ถ้าเราอยากจะไม่ลืมนี่เราต้องพยายามฟังซ้ำๆบ่อยๆซึ่งสมัยนี้พวกเราโชคดีสามารถฟังซ้ำบ่อยๆได้อย่างน้อยเราควรจะฟังทุกวันถ้าเราเป็นผู้ฉลาดผู้ที่เห็นคุณค่าของ ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังแล้วเราจะฟังกันทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะวันละหลายหลายครั้งก็ได้เพราะการฟังนี้มันจะทําให้เราไม่หลงไม่ลืมนั่นเองจะทําให้เราจําได้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างพอเราจําได้มันก็จะมากระตุ้นใจเราต่อไปว่าเอา้า เมารู้แล้วว่าต้องทําอะไรทํำไมไม่ทําเสียทีเอเมื่อก่อนก็อาจจะอ้างว่าลืมเ อ, อเพราะว่าฟังหนเดียวอาทิตย์หนึ่งฟังครั้งเดียวพอฟังแล้วกลับมาบ้านเดี๋ยวทําธุระอย่างอื่นก็ทําให้ลืมสิ่งทีพ่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทํากันออออตอนนี้เราสิ่งที่เราควรทํากันให้มากๆในเบื้องต้นก็คือ มันศึกษามันฟังเทศฟังธรรมกันจนให้เรารู้อย่างชัดเจนว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างถึงจะทำให้เราหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและได้กระทำมาแล้วก็คือหนึ่งให้ทำทานให้สล ะ, ะทรัพย์ทรัพย์ที่เราจะเอาไปใช้กับ การสร้างพบสร้างชาตินี่แหละไม่ใช่ทัพย์อะไรหรอกทรับอะไรที่เราไปสร้างพบสร้างชาติก็ทรัพที่เราไปใช้กับความอยากต่างๆเนี่ยใช้กับกามะตัณหาใช้กับภาวะตัณหาใช้กับวิภาวะตัณหานี้อย่าเอาไปใช้พอใช้แล้วจะทำให้เรามาสร้างกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเช่เอาเงินไปเที่ยวเนี่ ย, เ, ยเที่ยวก็คือกามะตัณหา เที่ยวเราไปเที่ยวเราเวลาไปเที่ยวเราไปไปทําอะไรเราก็ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดเถพะพากันเอไปดูไปฟังมีตาดูมีหูฟังกันเอไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ต้องใช้ตาหูจมกูกลิ้นกายเที่ยวกันถ้าใช้เงินแบบนี้เรียกว่าเป็นการเอาเงินไปซื้อการเวียนไหวตายเกิดะไม่ได้เอาเงินไปตัดการเวียน่าวตายเกิด พระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องเอาเงินที่เราไปซื้อภพชาตินี้เอามาถ่ายภพชาติเอามาใช้เพื่อถ่ายภพชาติเพื่อตัดภพตัดชาติให้มันน้อยลงไปเอด้วยการเอามาทําบุญทําทานนี่เองทุกครั้งที่เราอยากจะไปเที่ยวเอให้เอาเงินนี้มาทําบุญทําทานเอแล้วเราจะตัดภพตัดชาติตัดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายให้น้อยลงไปได้ ภพชาที่มีจานวนมากมายกลายกองนี้จะเริ่มลดน้อยลงจากจานวนที่นับไม่ได้ก็จะลดเหลือเป็นล้านต่อไปก็จะเหลือเป็นแสนต่อไปก็จะเหลือเป็นหมื่นต่อไปก็จะเหลือเป็นพันเป็นร้อยแล้วต่อไปก็อาจจะเหลือแค่เจดชาติเจดชาตินี้ก็คือระดับขั้นที่หนึ่งของพระอริยเจ้า ผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสสุภาษิพานานี้จะลดจำนวนภพชาติลงเหลือเพียงไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วก็จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต่อไปตามลำดับไม่เกินเจ็ดชาติเกิดจากการที่เรารู้จักใช้เงินเงินนี้เราใช้ไปในทิศทางได้สองทิศทางคือ เอาไปซื้อภพชาติถ้าเราไปใช้กับการมตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณห า, ะะหาอันนี้เรียกว่าเป็นการไปซื้อภพชาติไปเพิ่มภพชาติให้มีมากขึ้นถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินก็คือไปไปเพิ่มเวลาของบัตรมือถือของเราให้ใช้ได้ไปนานๆอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟัง หรือไปซื้อของที่เราอยากซื้อเช่นซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อมีอยู่มากมายเหลือพอใช้อยู่แล้วถ้ายังอยากซื้ออยู่นี่เรียกว่ากาลังไปซื้อพบชาติกันให้เอาเงินทองเหล่านี้ไปทำบุญกันเพราะการไปทำบุญก็จะทำให้เราหยุดซื้อซื้อพบซื้อชาติเอาเงินไปซื้อบุญที่จะมาตัดพบตัดชาติกัน นี่คือข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำกันก็คือให้เรารู้จักใช้เงินให้ถูกให้ถูกต้องคือใช้เงินเพื่อตัดภพตัดชาติอย่าไปซื้อเงินเพื่อซื้อภพซื้อชาติถ้าใช้เงินไปกับกามะตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหานี่เรียกว่าเป็นการใช้เงินเพื่อซื้อภซื้อชาติให้เรา เอาเงินที่จะไปซื้อพบซื้อชาตินี้มาทำบุญทาทานเพื่อตัดพบตัดชาติเพราะถ้าเราทำบุญทาทานแล้วใจของเราจะอิ่มใจของเราจะลดความอยากได้นั่นเองความอยากไปเที่ยวจะน้อยลงไปความอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆจะน้อยลงไปความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจะเบาลงไปแล้วจะทำให้เรานี่ มีเวลาที่เราจะได้มาตัดพบตัดชาติด้วยการปฏิบัติทำข้อที่สองและข้อที่สามต่อไปคือการรักษาศีลและการภาวนาข้อที่หนึ่งคือเราทำทานเป็นวิธีตัดภบตัดชาติเป็นบันไดที่จะทำให้เราสามารถก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองได้คือการไปรักษาศีลถ้าเรา หยุดใช้เงินใช้ทองได้เราก็จะมีเวลาไม่ต้องไปหาเงินหาทองมากจนเกินไปเราก็จะได้มีเวลามาอยู่วัดมารักษาศีลแปดมาภาวนาได้นั่นเองแต่ถ้าเรายังใช้เงินใช้ทองไปกับความอยากอยู่เราจะรู้สึกว่าเงินทองไม่พอใช้จะทำให้เราต้องหาเงินหาทองมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ มันก็จะทําให้เราไม่มีเวลาที่เราจะไปอยู่วัดกันไปปฏิบัติธรรมกันเราก็จะมัวแต่หาเงินหาทองพอได้เงินได้ทองก็ไปใช้เงินใช้ทองกันพอเงินทองหมดก็กลับไปหาเงินทองใหม่แล้วก็กลับมาใช้ใหม่โอกาสที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมนี้ก็ไม่มีเลยก็สังเกตดูพวกที่ชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มชอบใช้เงินตามความอยากนี้ จะไม่มีเวลาเข้าวัดกันพวกที่จะเข้าวัดกันได้นี่เป็นพวกที่ไม่เที่ยวกันไม่ใช้เงินทองฟุ่มแบบฟุ่มเฟือยกันไม่ใช้เงินทองตามความอยากกันใช้เงินทองเพื่อทำบุญทำทานเพื่อทำให้ใจนั้นมีความอิ่มมีความสุขมีความพอจะทำให้ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆแล้วจะทาให ลดการหาเงินหาทองได้เพราะเมื่อไม่เที่ยวไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยเงินทองที่จะใช้จริ ง, รงๆก็มีไม่ไม่มากก็คือเงินทองจะรับการเลี้ยงปากเลี้ยงทองถ้าทํางานก็จะหาให้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอก็อาจจะไม่ต้องทํางานแบบที่ทําอยู่เหมือนเดิมอาจจะลดเวลาลงจากการทํางานอาทิตย์ละห้าวันเหลือแค่อาทิตย์ละวันสองวันก็ได้ เปลี่ยนอาชีพใหม่อาชีพอิสระแทนที่จะต้องไปทํางานทุกวันก็ทําแบบอิสระขายประกันขายตรงอะไรก็ได้ไม่ต้องทําทุกวันพอได้เงินพอก็หยุดก็จะมีเวลาว่างมีเวลาว่างที่จะมาเจริญปฏิบัติธรรมขั้นที่สองที่สามก็คือการมาถือศีลแปดแล้วก็การมาบําเพ็ญจิตตภาวนาฝึกจิต ฝึกใจให้สงบให้ฉลาดนี่คือการปฏิบัติธรรมขั้นที่สองและขั้นที่สามที่จะต้องรอให้ผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนถ้าไม่ทำบุญทําทานแบบที่พูดนี้จะไม่มีเวลาที่จะม า, ารักษาศีลมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมได้เพราะจะมัวแต่เอาเวลาไปหาเงินเพื่อจะได้เอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆ ใช้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอจะหิวอยู่เรื่อยจะอยากอยู่เรื่อยแต่ถ้าเอาเงินที่ไปใช้กับความอยากนี้มาใช้กับการทำบุญจะทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มจะทำให้ใจไม่มีความอยากไปเที่ยวไม่มีความอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นต่างๆได้แล้วก็จะทำให้ลดการทำงานลการหาเงินลดหลงได้ ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้นมีเวลาว่างที่จะฟังเทศฟังธรรมได้มากขึ้นเวลาเวลาว่างที่จะปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นนั่นเองเพราะว่าการการฟังเทศฟังธรรมการศึกษานี้ถึงแม้ว่าจะทำมากในขั้นที่ขั้นที่หนึ่งแต่ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ฟังเดี๋ยวเราลืมได้ และการปฏิบัติของเราก็มีหลายขั้นหลายตอนการฟังธรรมก็จําเป็นที่จะต้องฟังกํากับควบคู่ไปกับขั้นตอนของการปฏิบัติของเราพอเราอยู่ขั้นศีลเราก็ต้องฟังเรื่องศีลศึกษาเรื่องศีลให้ละเอียดขึ้นให้เข้าใจขึ้นว่าศีลแต่ละข้อจะต้องรักษาอย่างไรถึงจะเป็นศีลที่ดีเป็นศีลที่มีประโยชน์พอเข้าสู่ขั้นสมาธิก็ต้องศึกษา ว่าสมาธิแบบไหนถึงเป็นสมาธิที่ดีที่ถูกสมาธิแบบไหนเป็นสมาธิไม่ถูกไม่ดีเข้าสู่ขั้นปัญญาก็ต้องศึกษาวิธีว่าคิดอย่างไรถึงจะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาออันนี้การฟังเทศฟังธรรมนี้ยังจําเป็นอยู่ทุกขั้นทุกตอนของการปฏิบัติต้องมีการฟังควบคู่ไปด้วยออ yeah. ถ้าเราไม่มีเวลาฟังไม่มีเวลาปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถตัดภพตัดชาติได้ <Yeah. S 2> ยางขั้นที่หนึ่งจึงเป็นขั้นที่สำคัญมากขั้นที่หนึ่งนี้ที่เราทำนี้เพื่อที่จะทำให้เราจะได้มีเวลานั่นเอง <Yeah. S 2> ตอนนี้เรากำลังวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเพื่อจะได้เอาเงินทองไปใช้กับความอยากต่างๆ ทีนี้เราจะส ก, กัดมันด้วยการเอาเงินทองที่จะไปใช้กับความอยากมาทําบุญทําทานพอเอาเงินมาทําบุญทําทานความอยากใช้เงินกับความอยากมันก็จะลดน้อยลงไปจนในที่สุดมันจะไม่มีคนที่ทําบุญบ่อยๆนี้จะไม่มีความอยากไปเที่ยวไปอยากซื้อของเฟื่องเฟื่อยมีเงินก็อยากจะไปทําบุญอยากไปวัดพอไปวัดบ่อยๆได้ฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆได้เห็นคุณค่าของการ ปฏิบัติธรรมก็อยากจะปฏิบัติขึ้นมาก็จะเริ่มหัดรักษาสิ้นแปดรักษาศิ้นแปดพอรักษาศิ้นแปดได้ก็จะยิ่งมีเวลาให้มาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศิ้นแปดนี้จะมาะห้ามไม่ให้เราเอาเวลาไปทํากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมของการก่อพบก่อชาตินั่นเองอสิ้นแปดนี้ห้ามไม่ให้เราไปร่วมหลับนอนกันะ ถึงแม้จะเป็นสามีภรรยากันเป็นแฟนกันถ้าอยากจะตัดภพตัดชาติก็ต้องตัดการร่วมหลับนอนกันเพราะร่วมหลับนอนกันมันก็จะทําให้เราไม่มีเวลามาปฏิบัตินั่นเองอันนี้เราก็จะได้เวลาเพิ่มถ้าเราไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนแล้วเราก็มาตัดการกินให้มันน้อยลงกินก็เสียเวลาแล้วก็มาคอยทําให้เราเสียจังหวะของการปฏิบัติน ถ้าเราไม่กินอาหารเย็นนี่พอหลังจากเที่ยงวันนี้เราก็สบายแล้วไม่ต้องมากังวลกับเรื่องกินช่วงตั้งแต่หลังเที่ยงไปแล้วจนถึงเวลาจะนอนนี่เป็นเวลาที่เราสามารถเอามาใช้กับการปฏิบัติทําได้แต่ถ้าเรายังกินข้าวเย็นอยู่เดี๋ยวเราก็ต้องรอก่อนยังปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวต้องกินข้าวเย็นก่อนก็จะเสียเวลากว่าจะกินข้าวเย็นเสร็จก็อาจจะทุ่มสองทุ่ม ก็เหลือเวลานิดเดียวไว้สาหรับการภาวนาอันนี้ก็เหตุผลที่ว่าทำไมเราควรจะกินให้น้อยหรือกินมากก็ได้แต่กินมันครั้งเดียวให้มันเสร็จเสร็จไปให้หม ด, หมดภารกิจไปเราจะได้ไม่ต้องม า, าเสียเวลากับภารกิจของการรับประทานอาหารอันนี้ก็เป็นศีลที่จะทาให้เรามีเวลาม า, าภาวนามาปฏิบัติธรรมกัน ศีลเจ็ดก็จะให้เราหยุดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากบันเทิงมหัศลศพต่างๆไม่ดูหนังไม่ดูละครไม่ฟังเพลงไม่ร้องลำทำเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ไปเที่ยวตามสถานที่บันเทิงต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงต่างๆเพราะถ้าไปวันนั้นคืนนั้นก็ไม่มีเวลาจะได้ภาวนาไม่ได้ปฏิบัติธรรม น, นี่คือหน้าที่ของศีลแปดคือให้เรามีเวลาที่เราจะได้มาตัดภพตัดชาติด้วยการภาวนาเพราะการจะตัดภพตัดชาติได้อย่างเต็มที่อย่างเด็ดขาดนี้จะต้องเกิดจากการภาวนาไม่ได้เกิดจากการรักษาศีลไม่ได้เกิดจากการทาบุญทําทานการทาบุญทําทานการรักษาศีลนี้เป็นการ เปิดทางให้พวกเราได้ไปปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่นั่นเองถ้าเราไม่ทำบุญทาทานไม่รักษาศีลทางที่จะไปสู่การภาวนานี้จะถูกปิดกั้นเอาไว้เป็นนิวรณ์กามฉันทะเป็นต้นเป็นนิวรณ์ขวางการปฏิบัติธรรมของพวกเราเราจึงต้องเปิดทางด้วยการทาบุญทาทานเปิดเปิดทางด้วยการรักษาศีลแปดกัน พอเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาหลังจากเที่ยงวันไปนี้เราก็ภาวนาได้การจะภาวนาในขั้นต้นก็ต้องมีเครื่องเปิดทางของการภาวนาคือการทําใจให้สงบนี้ก็ต้องมีเครื่องเปิดทางเหมือนกันเครื่องที่จะมาเปิดทางให้เราทําใจให้สงบได้ก็เรียกว่าสติถ้าไม่มีสตินั่ง นั่งสมาธิไปก็ไม่สงบนั่งไปก็คิดไปฟุ้งซ่านไปดังนันก่อนที่จะนั่งได้เราต้องมีสติเปิดทางก่อนสติก็คือต้องมาหยุดความคิดต่างๆให้ได้ก่อนถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้เวลานั่งสมาธิมันก็จะนั่งคิดไปเรื่อยๆแทนที่จะนั่งดูลมมันก็ไปนั่งคิดถึงคนนั้นคนนี้แทนที่จะนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้านั่งแบบนั้นก็จะเหมือนกับไม่ได้นั่งนั่งไปแล้วก็ไม่ได้ผลนั่นเองจิตจะไม่สงบถ้าไม่หยุดความคิดถ้าไม่สามารถหยุดความคิดได้ดังนั้นเบื้องต้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกันให้เกิดผลเราต้องเจริญสติก่อนต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนวิธีสร้างสติก็คือให้เราหยุดความคิดต่างๆดยการคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับ คำบริกรรมพุทโธพุทโธทไปถ้าเราพุทโธพุทโธไปเราก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือถ้าเราไม่บริกรรมเราจะใช้การจดจ่อดูงานทำงานของเราก็ได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้ใจเราจดจ่อเฝ้าดูงานที่เราทำอยู่งานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเช่นงานล้างหน้าแปรงฟันอาบน้าอาบท่า รับประทานอาหารแต่งเมื่อแต่งตัวหรือเดินจงกรมเนี่ยเป็นงานที่เราใช้ในการเจริญสติให้เฝ้าดูงานที่เรากําลังทําอยู่อย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าเราควบคุมความคิดได้บังคับให้มันอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ได้เวลานั่งสมาธิเราก็จะนั่งแล้วสงบได้ดังนั้นขั้นต้นต้องหัดหยุดความคิดด้วยพุทโธก็ได้ หยุดความคิดด้วยการจดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่เราหลับเรานอนอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยเหมือนเมื่อก่อนเราจะควบคุมมันใจนี้เป็นเหมือนลิงถ้าเราอยากจะให้มันไม่ไปเล่นไปเที่ยวเราต้องเอาเชือกมาผูกมามัดมันไว้ถ้ามีเชือกมาผูกมามัดมันไว้กับต้นไม้ มันก็จะไปเที่ยวเล่นไม่ได้ใจของเราถ้ามีสติผูกเอาไว้มันก็จะคิดปรุงแต่งไม่ได้พอมันไม่สามารถคิดปรุงแต่งได้มันก็จะต้องนิ่งมันก็จะต้องสงบเท่านั้นเองในการที่จะให้มันนิ่งให้มันสงบอย่างเต็มที่ก็ต้องไม่ให้มันทำอะไรเลยถ้าเรายังเคลื่อนไหวอยู่ทางร่างกายใจก็ยังต้องทำงานอยู่เพราะผู้ที่สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวก็คือใจนั่นเอง เราจะเดินจะนั่งจะยืนจะทําอะไรนี้ใจเป็นเป็นผู้สั่งเป็นผู้กํากับถ้าเราอยากให้ใจพักใจหยุดทํางานเราก็ต้องนั่งเฉยๆนั่นคือสาเหตุทำไมเราจึงต้องนั่งสมาธิทําไมเดินจงกรมจึงไม่สามารถทําให้เราได้สมาธิกันเพราะขณะที่เดินนี้ใจยังต้องทํางานอยู่ใจยังต้องสั่งการสั่งให้ร่างกายเดินไปเดินมาเลี้ยวกลับไปกลับมา เดินไปข้างหน้าพอสุดทางก็สั่งให้หันกลับมาแล้วก็ให้เดินต่อไปพอสุดทางก็สั่งให้หันกลับมาแล้วเดินต่อไปนี่แสดงว่าใจยังทำงานอยู่ถึงแม้ว่าจะมีสติถึงแม้ว่าจะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ใจก็ยังนิ่งไม่ได้ยังหยุดเพราะยังไม่ได้หยุดทำงานจะให้ใจนิ่งเต็มที่100ร้อยเปอร์เนจึงต้องนั่งเฉยๆเพรานั่งเฉยๆแล้วทีนี้ใจไม่ต้องสั่งให้ร่างกายทาอะไรแล้ว ใจก็มีหน้าที่ควบคุมความคิดอย่างเดียวหยุดความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธไปหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวถ้าไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาพอใจนิ่งสงบเป็นสมาธิก็จะเป็นอุบเบกขาจะเฉยต่อความอยากได้เวลาไม่เกิดความอยากก็เฉยได้ไม่ทำตามความอยากได้ เพราะใจที่มีอุเบกขามีสมาธินี้เป็นใจที่อิ่มนั่นเองไม่หิวโหวยพอมีความอยากมาชวนให้ไปกินก็ไม่ไม่กินก็ได้ชวนให้ไปดูอะไรก็ไม่ดูก็ได้ชวนให้ไปฟังอะไรก็ไม่ฟังก็ได้ก็จะสามารถหยุดความอยากได้อย่างถาวรหยุดด้วยปัญญาเพราะรู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเหตุของภพชาตินั่นเอง ที่เราหยุดความอยากเพราะเรามีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเราจะไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นพิษเป็นภัยเป็นผู้สร้างภพสร้างชาติให้กับพวกเราแต่พวกเราโชคดีเราได้มาได้มาพบกับปัญญาของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้บอกให้เรารู้ว่าการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาสามตัวนี้แหละเป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน ถ้าเราไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดเราต้องไม่ทําตามความอยากทั้งสามนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ถ้าเราออกจากสมาธิมาเราก็จะทําตามความอยากทันทีเพราะเราไปคิดว่ามันดีอยากทําอะไรแล้วก็ได้ความสุขกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะพาให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปแต่ตอนนี้เรารู้แล้วพอเราออกจากสมาธิ แทนพอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ใช้อุเบกขาสู้กับมันไปใช้ความอิ่มสู้กับมันไปบอกฉันพอแล้วฉันมีความสุขแล้วฉันไม่เดือดร้อนกับการที่จะต้องไปทำตามความอยากแล้วก็ไม่ต้องทาตามมันอพอไม่ทำตามมันต่อไปมันก็เลิกมาชวนเราต่อไปมันก็จะหายไปอพอหายไปก็จะไม่มีใครมาดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปอ พอเราตายไปแล้วร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นร่างกายสุดท้ายก็เรียกว่าชาติสุดท้ายพบต่อไปไม่มีอีกแล้วนี่คือกิจของพระศาสนาผู้ใดที่สามารถปฏิบัติจนถึงขั้นที่กําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วก็ถือว่าเสร็จภารกิจถ้าเรียกว่าวุติตังบ ร, รมจารอยังกิจในบ ร, รมจารย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว กิจของผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้ทําทานรักษาศีลภาวนานี้ได้มาถึงที่สิ้นสุดแล้วถ้าเป็นรถก็เป็นรถที่มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้านั่งรถเมย์พอถึงป้ายสุดท้ายเขาก็บอกให้ลงเพราะรถไม่วิ่งไปไหนอีกแล้วแต่นจิตเมื่อได้กําจัดความอยากต่างๆด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาแล้ว ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดเมื่อหายไปหมดก็จะไม่มีผู้ที่จะมาดึงจิตให้ไปเกิดไปแกไปเจ็บไปตายอีกต่อไปจิตก็จะอยู่ที่ภาพนิพพานไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนิพพานก็คือที่มีแต่บร ม, มสุขนั่นเองนิ บ, บานังปรมังสุ ข, ขังนี่คือคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่คนฉลาดเท่านั้นถึงจะเห็น ถ้าเป็นคนโง่นี้จะไม่เห็นคุณค่าของศาสนาจะเห็นคุณค่าของราบยศสารเสริญสุขกันพวกเหล่านี้จึงถือว่าเป็นพวกที่ฉลาดเป็นคนฉลาดเพราะเราเห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และความฉลาดของพวกเหล่านี้แหละที่จะทําให้เราได้รับสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายในโลกนี้คือการได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ได้ไปอยู่ในพันิยพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดดึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความยินดีมีความเชื่อมั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติให้อย่างเต็มที่เถิดแล้ววันหนึ่งข้างหน้าผลต่างๆที่พวกเราปรารถนากันก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวเริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกบปติอิชิตังปัทถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตตสัพเพปุเรนตุสังกป ะ, ปะ จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพีติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตตอันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานัสสลิตะนิจจังวุตฒาปะจายโน จตารโหทัมมาวัานติอายุวโนสุขังภาลัต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาใครมีคำถามตอนนี้เปิดให้ถามได้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่หลังจากเลิกประชุมเราจะขอเ ง, งิถามไม่ได้ตอบไม่ได้ อยากจะถามถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษเขียนข้อความใส่กระดาษเข้ามาได้แล้วให้พิธีกรอ่านให้ฟังวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง f a c e b o o สอง7สเจ็ดค่ะ y o u t u หนึ่งร้อยสสิบวิทยุ 22, ออนไลน์ยี่สิบผู้รับฟังบนข่าวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่รวมทั้งหมดห3ร้อยสามสิบสองค่ะ ถ้ามีคำถามก็อ่าานได้เลยคถมจากบนเขานะคะกราบนมัสการหลวงพ่อได้ฝึกนั่งสมาธิแต่ไม่ค่อยสงบใจฟุ้งซ่านขอความเมตตาท่านอาจารย์ได้โปรดชี้แนะด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะใหม่ๆก็เป็นอย่างนีเน้เพราะว่าสติเรายังมีกำลังน้อย สติที่จะคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดนี่ยังมีไม่มากก็ต้องพยายามหมั่นเจริญสติไปทั้งวันไม่ใช่เฉพาะช่วงที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นต้องพยายามควบคุมความคิดอย่าให้คิดเลื่อยเปื่อยถ้าเรื่องจําเป็นจะต้องคิดก็ควบคุมมันให้มันคิดแต่แต่เรื่องที่จําเป็นจริงๆเช่นเรื่องงานเรื่องการแต่เรื่องเพอ้อฝันเพอ้อเจ้ออะไรต่างๆนี้หยุดมัน ใช้พุโทโธหยุดมันหรือบังคับให้มันเฝ้าดูการทำงานขอ ง, งร่างกายก็ได้ร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้มันจดจ่ออยู่กับการงานที่ทำคือทำงานด้วยความระมัดระวังนี่เรียกว่ามีสติถ้าไม่มีสติอยากจะฝึกสติลองไปอยู่ที่มันน่ากลัวดูเนี่ยถ้ามาอยู่ในป่าเวลาเดินไปทางตามทางป่านี้มันจะมีสติคอยดูว่ามีงูหรือเปล่ามีสัตว์น้อยคลานหรือเปล่า อันบางทีเราต้องอาศัยสถานที่เป็นตัวสร้างสติให้กับเราเพราะถ้าเราอยู่ที่ปลอดภยัยที่สบายๆมันจะไม่ละมัดระวังเมื่อมันไม่ละมัดนระวังมันก็ไม่มีสติั้นถ้าไม่มีสติก็หาเวลาไปฝึกสติที่มันน่ากลัวบ้างที่บังคับให้เราต้องมีความละมัดระวังแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบได้มากขึ้น อย่าหวังผลมากนั่งสมาธินี่มันเหมือนยกภูเขาขับเคลื่อนภูเขาอย้างถ้ามันขยับเพียงแค่หนึ่งทุลีนี่ก็ถือว่าเราได้ผลแล้วอย่างถ้านั่งได้นี่ก็ถือว่าเราได้ผลแอ้อมานั่งเฉยๆนั่งดูลมพุทโธได้ยังไม่สงบนี่ก็ถือว่าได้ผลแล้วเอย่างนั้นอย่าไปหวังมากเหวังให้ขอให้ได้นั่งไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกัน พราะการมานั่งนี่ก็เท่ากับหยุดมันไปส่วนหนึ่งแล้ะหยุดไม่ให้มันไปทํานู่นทํานี่อย่างพยายามบังคับให้มันนั่งบ่อยๆแล้วถ้าจะให้มันสงบมากขึ้นก็ต้องให้มีสติที่มีกําลังมากขึ้นไปก็ต้องมันฝึกสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ ต, ตื่นจนหลับแล้วต่อไปมันก็จะสงบมากขึ้นไปเองแต่อย่าหวังมากเพราะมันจะท้อท้อแล้วมันจะไม่ทําไม่ทํามันก็จะไม่ได้อะไรเลย ถ้าทำอย่างน้อยมันก็ได้คือได้ทำได้ดึงจิตออกจากเรื่องราววุ่นวายบ้าบอกอแตกต่างให้มาอยู่กับความสงบให้มาอยู่กับของดีของวิเศษกันบ้างคำถามจากบนเขาลูกรู้สึกว่าทางโลกไม่ใช่ทางแต่ก็รู้ว่าตัวเองยังมีแกลงพอที่จะตัดและออกบวช เคยเนคํามาหนึ่งเดือนครึ่งแต่พอกลับไปทำงานทางโลกก็มีความรู้สึกเข้าใจว่ากำลังทำอะไรเสียเวลาทำอะไรอยู่รบกวนขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะว่าควรจัดทำและวางจิตอย่างไรถ้าเรายังต้องทำอยู่ก็ต้องทำไปอย่าไปฝืนอย่าไปไม่อยากทำ พราะถ้าไม่อยากทํามันก็เป็นกิเลสอีกแบบหนึ่งงั้นถ้ายัางจําเป็นมีหน้าที่ต้องทําอะไรก็ทําไปตามหน้าที่แต่ทําเพื่อให้เราลดมันให้น้อยลงไปด้วยการลดการใช้เงินทองเหตุที่เราต้องทํางานกันมากเพราะว่าเราต้องใช้เงินกันมากถ้าเราใช้เงินน้อยการทํางานก็น้อยลงได้ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าทางนี้ไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้น เราก็ต้องเริ่มลดมันลงไปลดโดยการใช้เงินให้น้อยลงไปใช้เงินให้กับความอยากให้น้อยลงไปเมื่อเงินที่จะใช้กับความอยากน้อยลงไปความจำเป็นที่จะต้องหาเงินก็จะน้อยลงไปแล้วต่อไปเราก็จะมีเวลามากสำหรับการไปปฏิบัติแต่เวลาต้องทำก็ทำไปอย่าไปอยากไม่ทำแล้วมันจะทำให้เราเครียด แต่าต้องทำก็ทำไปแต่ทำเพื่อให้เราดุดทำเพื่อให้มันหมดทำเพื่อให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆคําถามจากไลเมื่อเกิดเวทนาเราปวดมากแล้วเราทนนั่งดูมันจนจิตเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้ <c oughs> ถ้ามันเป็นของเราจริงเราต้องสั่งมันได้แต่นี่เราทำอะไร มันไม่ได้เลยพอใจนึกแบบนั้นแล้วผมก็เห็นแต่ความปวดแค่มันไม่ใช่เราใจเลยไม่ยินดียินร้ายกับมันแต่พอเอาใจไปใส่มันมันทรมานใจครับแต่ถ้ามองแล้วเอาใจออกมาจะเห็นมันเป็นแค่ความปวดซึ่งไม่ใช่เราใจก็เห็นเช่นนั้นแล้วแบบนี้ผมควรทำอย่างไงต่อไปให้เจริญก้าวหน้าขึ้นครับ ก็พยายามทำบ่อยๆทำให้มากๆให้มันชินต่อไปเห็นความปวดก็จะเฉยได้ปวดหัวก็ไม่ต้องหายาแก้ปวดหัวมากินปวดท้องก็ไม่ต้องหายาแก้ปวดท้องมากินมันเดียวมันก็หายเองอเพราะว่าการกินยาแก้ปวดไม่ได้เป็นการแก้ต้นเหตุของการเจ็บไข้ได้ปวยมันเป็นแต่ระงับอาการปวดเท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าเราอยู่กับความปวดได้เราก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดก็ได้กินยาที่จะมาแก้เหตุที่ทําให้มันปวดนะเช่นติดเชือ้อก็กินยาฆ่าเชื้อไปเดี๋ยวพอเชื้อหมดมันก็หายปวดแต่เราไม่จําเป็นจะต้องกินยาแก้ปวดเพราะยาแก้ปวดนอกจากมีคุณแล้วมันก็มีโทษมันจะทําให้เราติดยาแก้ปวดแล้วต่อไปมันจะ อจะกินกินเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายงั้นถ้าเราฝึกจิตให้เราอยู่กับความปวดได้เฉยกับความปวดได้ก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆพยายามนั่งแล้วให้มันเจ็บแล้วก็ให้มันเฉยกับความเจ็บอย่า ก, กลัวความเจ็บเป้าหมายคือเราต้องไม่กลัวมันเราต้องอยู่กับมันได้อย่าไปรังเกียจมันต้องรักมันเหมือนเราลักความสุข ถ้าเราลากมันเหมือนลากความสุขเราจะมีความสุขที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไปเกลียดมันไม่ลากมันเวลามันมาก็อยากจะให้มันหายมันเลยทําให้เราทุกข์กันแต่ถ้ามันมาแล้วเราไม่ไปเกลียดมันเหมือนกับเวลาความสุขมาแล้วเราไม่ไปเกลียดมันลักมันเหมือนเราลากความสุขเถิดแล้วเราจะมีความสุขกับความเจ็บความปวดคาถามจากบนเขา ส่วนตัวเป็นคนชอบปฏิบัติเวลาอยู่บ้านสามารถเดินจงกรมได้เป็นชั่วโมงแต่พอนั่งสมาธินั่งได้ไม่เกินสินาทีอยากถามว่าจะทำอย่างไรจะทำให้นั่งสมาธิได้นานขึ้นก็ต้องฝึกสตินะครับเวลาเดินจงกรมก็ต้องเดินแบบมีสติอย่าไปเดินแบบใจลอยเดินไปแล้วก็คิดเรื่อยเปื่อยไปนะเดินไปต้องควบคุมความคิด ไม่ให้มันคิดให้มันรู้อยู่กับการเดินอย่างเดียวหรือให้มันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้ว อ, อยู่กับเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปถ้าเดินแบบนี้แล้วเวลานั่งจะนั่งได้นานเพราะมีสติกำกับให้มันพุทโธพุทโธไปหรือให้มันดูลมหายใจต่อไปได้ยงนั้น ต, ต้องพยายามฝึกสติให้มากๆที่นั่งไม่ได้เพราะมันหมดกาลังสติมันสู้กิเลสไม่ได้ กิเลสอยากจะลุกไม่อยากนั่งเราต้องฝึกฝึกสติบังคับมันเวลาเดินจงกรมก็บังคับอย่าให้มันคิดแล้วต่อไปเวลานั่งมันจะไมมาดันให้เราลุกเราก็จะนั่งได้นานต่อไปคำถามจากเฟ e บุ๊ k นะคะคุณดิศกรข่มสกุลนมัสการครับนั่งสมาธิต้อง กล่าวคำขึ้นกรรมฐานหรือไม่ครับสาสทูตามใจจะกล่าวก็ได้ไม่กล่าวก็ได้เหมือนมวยจะจะไหว้ครูก่อนก็ได้ไม่ไหว้ครูก่อนก็ได้เห็นไหมมวยไทยนี้ต้องไหว้ครูก่อนมวยสาคุณเขาไม่ต้องไหว้ขึ้นไปทีก็เอากันเลยอันนี้ก็เหมือนกันแล้วแต่เราเราชอบแบบสากลณหรือชอบแบบไทยก็เลือกเอา ใครชอบแบบไทยก็อาจจะต้องมีตั้งนโมสามจดขอศีลก่อนขอสาระก่อนแล้วค่อยมาจัดนั่งก็ได้บางคนก็เอาแบบสากลพอนั่งปั๊บหลับตาก็พุทธโทเลยดูลมไปเลยได้เหมือนกันคำถามจากยูทู e กราบเรียนถามพระอาจารย์เราเกิดมาหลายชาติแต่พอมาเกิดใหม่เป็นเด็ก เรากลับลืมความทุกและธรรมะที่เคยรู้มาแต่มาแต่ทำไมพระอริยะถึงไม่ลืมเจ้าคะ่ะเพราะท่านมีสติไงสตินี้จะเป็นตัวที่ทาให้ท่านไม่ลืมมีสติมีปัญญาพอเกิดทุกข์นี้ท่านจะรู้ปั๊บขึ้นมาในใจทันทีคำถามจากคุณประทวนภูพานไร่กลับเรียนถามเจ้าคะ่ะ ชาตินี้เราปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแต่ถ้าเราต้องกลับมาเกิดอีกเราต้องทําอย่างไรถึงจะได้ปฏิบัติเหมือนชาตินี้อีกคะก็ปฏิบัติให้มันเป็นสันดานให้มันเป็นนิสัยถ้าเราเป็นนิสัยแล้วกลับมาเกิดมันก็จะปฏิบัติต่อจะปฏิบัติเป็นนิสัยก็ต้องเป็นระดับของพระโสดาบันขึ้นไปถึงจะเรียกว่าเป็นนิสัยจริงๆเออผู้พระโสดาบันนี้จะไม่ สแสวงหาอะไรในโลกนี้แล้วท่านจะปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นไปเพียงอย่างเดียวท่านจะทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาคำถามจากลาย <c oughs> คนที่จะไปนิพพานต้องตายก่อนหรือคะแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าถือศีลภาวนาไม่โกรธไม่โลภไม่หลงจะสามารถไปนิพพานได้ไหมคะ ได้การนิพพานนี้ไม่ต้องรอตายไหมนิพพานตอนเป็นเรได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็นิพพานตอนเป็นนะตอนวันเพ็ญเดือนหอายุสาสหปีนี่พระพุทธเจ้าถึงนิพพานแล้วใจของพระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแต่ท่านยังมีร่างกายอยู่คําว่านิพพานนี่มันมีสองความหมาย ความหมายแรกก็คือเนี่ยนิพพานก็คือจิตที่หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็เรียกว่านิพพานแล้วนิพพานอีกความหมายเราก็ใช้กับคําว่าตายของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าเวลาพระอรหันต์ตายพระพุทธเจ้าแล้วตายแล้วไม่บอกว่าตายแล้วบอกว่าท่านนิพพานแต่ความจริงมันก็คือตายนี่เองแต่ความหมายที่แท้จริงนิพพานก็คือการได้หลุดพ้น จิตได้หลุดพ้นได้ไปถึงพระนิพพานตั้งแ ต, ต, งแต่ตั้งแต่กิเลส ต, ตายไปหมดซึ่งจะบางองค์ก็หลุดพ้นตอนที่ตายก็มีบางคนก็หลุดพ้นตอนที่เป็นก็มีอยนแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนแล้วแต่โอกาสจังหวะอย่งั้นการไปถึงพระนิพพานนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องตายถึงจะถึงนิพพานถ้ากิเลส ต, ตายหมดไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ถึงนิพพาน <c oughs> คำถามจากคุณรัพีพาเชื้อหง <c oughs> กราบเรียนถามพระอาจารย์ระหว่างการปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิมีเหตุการณ์ต่างๆนาน า, น า, นาเกิดขึ้นเป็นระยะเหตุที่เกิดนี้เป็นอาการจิตปรุงแต่งไหมครับใช่เป็นของปรุงแต่งของจิตจเพราะฉะนั้นพอสติเราไม่มีคอยกำกับนะมันถึงเกิดอาการ ต, ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาในเวลานั่งสมาธิเราต้องมี มีสติคอยกำกับความคิดอย่าปล่อยให้จิตปุงแต่งต้องให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือให้เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกไปในช่วงที่ยังไม่มีสติกำลังมากมันอาจจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ให้กลับมาอยู่มารู้อยู่กับพุทโธ ร, รู้อยู่กับลมหายใจไปถ้าเราอยู่กับพุทโธหรือลมหายใจไปได้เดี๋ยวอาการต่างๆก็จะหายไปหมด เราต้องการความว่างความสงบอุเบกขาซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งอย่างอื่นอย่าไปสนใจถึงแม้จะหน้าดูหน้าชมถึงแม้จะมะีมีปฏิหารหรืออนาคตหรืออดีตหรือรู้ใจของใครก็อย่าไปหลงไหลกับมันเพราะมันไม่สามารถดับความทุกข์ได้สิ่งที่จะดับความทุกข์ได้ก็คือความว่าง อจิตเบคาเําคถามจากคุณอ้อยเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะมีพี่ที่รู้จักเขาบอกว่าปกติจิตเขานิ่งอยู่แล้วเขาเลยบอกว่าไม่จําเป็นต้องฝึกสมาธิอย่างนี้เขาคิดถูกไหมคะยมเลยไม่รู้จะบอกเขาอย่างไรเพื่อให้เขาได้ฝึกสมาธิบ้างเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องของเขาอะ ถ้าเขาไม่อยากจะฝึกก็ไม่ต้องไปบอกเขาเราบอกเขาแล้วให้เขารู้แล้วว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงอยู่ที่สมาธินี้เองถ้าเขาบอกว่าเขาสงบแล้วแต่ถ้าเขาสงบแล้วแต่ก็ยังหาความสุขจากสิ่งต่างๆอยู่ก็ถือว่ายังไม่สงบจริงแสดงว่าเขาไม่รู้ว่ามันยังไม่สงบเต็มที่อาจจะไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นความสงบอย่างหนึ่ง อาจจะไม่วุ่นวายใจนี่ก็เรียกว่าสงบอย่างหนึง่งแต่สงบแบบนี้ยังไม่เป็นสงบของสมาธิสงบของสมาธินี่มันจะต้องเจอนัตถิสันติปรังสุขขังเเจอความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเอแล้วจะไม่มีความอยากจะหาความสุขจากสิ่งอื่นๆ อ, อ, อีกต่อไปอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิเป็นความนิ่งที่ที่แท้จริงที่เต็มที่ ถ้าเขายังนิ่งอยู่เขาบอกจิตเขานิ่งแต่เขายังไปเที่ยวอยู่ยังไปช้อปปิ้งอยู่ยังไปดูหนังฟังเพลงอยู่นี่ก็แสดงว่ายังไม่ใช่สมาธินิ่งแบบไม่ฟุ้นวายไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองคำถามจาก youtube หนูหัดฝึกสติอยู่ค่ะแต่ยังไม่คล่องบางทีอยู่กับลูกและสามีที่บ้านพวกเขาพูดเก่งทั้งคู่บางทีสามีก็ชอบหงุดหงิดง่าย ลูกก็ดือ้อโซนบางทีเขาก็ทะเลาะกันเราก็สติหลุดได้บ่อยค่ะเบื่อมากค่ะจะทําใจอย่างไรดีคะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเหมือนกับเราขับรถเนี่ยเรายังติดอยู่บนชั้นล่างอยู่ยังไม่ได้ขึ้นทางด่วนนั้นเราต้องหาวิธีหาทางขึ้นทางด่วนให้ได้เพื่อหาไปไ ป, ไปแยกอยู่แยกแยกจากเขาอย่าไปอยู่กับเขาให้ได้ ไปบวชชีบวชพระไปเลยถ้ายังไปไม่ได้ก็ถือว่ายังติดอยู่บนไสี่แยกไฟแดงติดอยู่กับรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดอยู่กับรถเสียรถชนกันอยู่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดต้องทําเอาเองถ้าไม่คิดไม่ทํามันก็จะติดอยู่อย่างนั้นการที่เราจะไปทิ้งเขาได้เราต้องมองถึงผลที่จะตามมาต่อไป ถ้าเราอยู่กับเขาอย่างนี้เราก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราแยกกับเขาได้ไปอยู่ของเราคนเดียวได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเราต้องคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับมันถึงจะทำให้เรากล้าลงทุนใช่ไหมคนเราจะลงทุนอะไรมันต้องรู้ก่อนว่าลงทุนแล้วต้องกาไรถ้าลงทุนแล้วขาดทุนก็ไม่มีใครอยากจะลงทุน งั้นถ้าเราไม่มองว่าการที่เราแยกทางจากเขานี้เราจะได้กําไรมากกว่าอยู่กับเขามันก็จะทําให้เรามีกําลังใจที่จะแยกกับเขาเพราะไม่แยกตอนเป็นเดี๋ยวก็ต้องแยกกันตอนตายอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วในที่สุดเราก็ต้องแยกทางกันงนั้นแยกทางตอนตายมันไม่ได้ไประโยชน์เหมือนกับแยกทางตอนเป็นให้คิดแบบนี้แล้วต่อไปเราก็อาจจะแยกทางกับเขาได้หมดแล้วแนะคําถามเอ่ มีใครอยากจะถามไหมอะส่งไมโครโฟนไปเล่อยอช่วยยื่นไปให้หน่อยช่วยส่งพูดใกล้ๆปากหน่อยนะจะได้เสียงดังนินมมัการเจ้าค่ะคื อ, อลูกมีคําถามเกี่ยวกับพูดใกล้ๆปากหน่อยนะเกี่ยวกับวิธีการภาวนานะคะ่ะที น, นี้ปกติแล้วลูกจะใช้พุโทโธตอนนี้พอเวลาเราบริกรรมพุโทโธไปสักพักหนึ่งเนี่ย เขาก็จะเปลี่ยนไปดูลมหายใจท่นี้เวลาเปลี่ยนไปรู้ไปดูลมหายใจได้สักระยะนึงนะคะมันก็จะก็เหมือนกับว่าเราเหมือนเหมือนก็ไปตามร่างกายคือเหมือนกับหายใจทางผิวหนังอย่างเงี้ยะเอ่เป็นทำยี่ไม่ถูกอย่าอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปตามมันเอาอย่างใดอย่างหนึง่งออถ้าถ้าเริ่มต้นอาจจะใช้พุโทโธไปก่อนก็ได้แล้ว อยากพุทโธจะมาดูลมอันนี้ยังยังพอจะว่าได้ยังพอเบื้องต้นบางทีจิตมันฟุ้งมากก็ต้องใช้พุทโธดูลมไม่ได้ก็ใช้พุทโธไปก่อนพอใช้พุทโธไปแล้วมันใจเริ่มเบาเริ่มสงบก็มาดูลมต่อก็ได้ก็ดูลมต่อไปแต่พอดูลมแล้วที่ไม่ให้ไปไหนละต้องอยู่กับลมไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิก็คือ ดูที่ลมอย่างเดียวแล้วแต่ไม่ต้องเทงใช่ไหมคะก็ดูที่ปลายจมูกเนี่ยให้รู้ว่าลมเข้าหรือลมออกลมสั้นหรือลมยาวลมหยาบหรือลมละเอียดเท่านั้นเองบางทีนั่งๆไปมันจะจะไม่ได้ไปกําหนดที่ปลายจมูกนะคะมันจะเหมือ น, เ ป, นเป็นความรู้สึกว่าก็เราต้องบังคับไงนั่งสมาธิต้องมั่งคับจิตให้มันอยู่ที่ใดที่หนึ่งถ้าดูลมก็ดูที่ปลายจมูกหรือที่กลางหน้าอกกลางหน้าอกก็จะรู้ว่าเวลาลมเข้าก็ พองเวลายุบลมออกก็ยุบเนี่ยถ้าดูที่ปลายจมูกก็จะสัมผัสได้เวลาลมแตะที่ปลายจมูกต้องให้มันอยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่าปล่อยให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่เช่นนั้นมันจะไม่สงบแล้วถ้าเกิดกําหนดที่กลางหน้าอกเราใช้คําว่าพุโทโธมองลงไปได้ไหมคะได้นายพุโทโธก็ได้ยุบหนอก็ได้พองหนอก็ได้หรือไม่ใช้เลยก็ได้ให้รู้เฉยๆก็ได้ค่ะแล้วอีกข้อนึงอะคะ่ะการฟังธรรมอะคะ่ะ ถ้าเกิดเราต้องการฟังธรรมเพื่อที่ให้พระธรรมกล่อมให้สงบอะค่ะเราก็ต้องวางค่ะเราต้องวางจิตเหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธิหรือเปล่าคะก็แทนที่จะดูลมหรือท่าที่จะพุโทโธก็เอาใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนแต่แต่ให้ให้จิตวางเหมือนอย่างที่นั่งสมาธิใช่ไหมคะ ก, ก็ให้รู้อยู่ว่ากำลังฟังตั้งใจฟังไปแล้วถ้าเกิดว่าฟังฟังแบบต้องการปัญญาก็คือคิดตามอ่า ถ้าติดตาก็จะได้ปัญญาถ้าฟังไม่ไม่เข้าใจพิจารณาไม่ได้ก็เอาเสียงเป็นอารมณ์ก่อมใจไปและอย่างเวลาลูกเคยฟังของหลวงปู่สิมั้ค่ะที่ว่าพิจารณากระดูกค่ะอืแล้วก็ให้ไล่ตามอย่างนี้ได้ไหมคะแล้วแล้วแต่เราทําตอนไหนไงทําตอนไหนแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจเจ้ากระดูกก็เอากระดูกอย่างเดียวอย่าไปฟังทำตอนนั้นเย อย่าไปดูลมอย่าไปพุโทโธตอนนั้นก็คือไล่ตามไล่ตามกระดูกทีละท่อนได้แต่ต้องเอาเป็นเรื่องเ ป, ป็นราวไปเอาอย่างใดอย่างหนึง่งไม่ใช่ปนกันไปจับใจเดี๋ยวก็พุโทโธเดี๋ยวก็กระโดดหากระดูกเดี๋ยวก็หาล ม, ม, มสังคุตใช่ไหมเอาเปน็นเรื่องๆไปนะเมือเรียนหนังสือเรียนเป็นวิชาไปนะชั่วโมงนี้เรียนคณิตศาสตร์ชั่วโมงหน้าเรียนประวัติศาสตร์นะชั่วโมงต่อไปเรียนภูมิศาสตร์ เอามันเป็นเรื่องๆไปไม่ใช่ขณะเรียนภูมิศาสตร์ก็เอาเรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามามันก็เลยสับสนปนกันไปยุ่งไปหมดนะเอาแล้วนะวันนี้พอดีเวลาก็หมดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ